3าสการทำสมาธิรมาฐานเพื่อขึ้นไปสู่การเดินปัญญาวงเล็บเปิดเจกุมภาพันสอในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการเรียนทำสมาธินี่ไม่ยากอะไรสมถะง่ายไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้หลักของสมถะจริงๆก็คือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อนเนื่องปกติจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลา เดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกเดี๋ยววิ่งไปทางลิ้นทางกายทางใจคือวิ่งพลาดไปหาอารมณ์ทางทวารทั้งหวิ่งพลานไปอยากดูวิ่งไปดูอยากฟังวิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นวิ่งไปดมอยากรู้รสก็วิ่งไปชิมมันไปสัมผัสมันอยากรู้สัมผัสทางกายก็หาอะไรมากระทบมันวิ่งพลาดๆตลอดเวลาจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ที มันไม่มีความสงบสุขการทำสมาธิก็คือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้วิ่งพล่านๆวิ่งไปวิ่งมาไม่มีเรียวมีแรงฟุ้งซ่านวุ่นวายฉะนั้นหลักของสมาธ่ง่ายๆคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องต่อไปก็ต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ชนิดไหนที่จิตของเราน้อมไปแล้วก็สงบง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันบางคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าแค่นี้ก็สงบ บางคนแค่พุทโธก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วสงบบางคนไปเดินจงกรมแล้วก็สงบบางคนขยับมือก็สงบอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ใจชอบถ้าใจชอบอารมณ์อันไหนแล้วเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันนั้นจิตจะมีความสุขพอจิตมีความสุขในการรู้อารมณ์อันไหนแหล้วจิตก็จะชอบไม่อยากหนีไปอยู่กับอารมณ์อนัน อ, อื่อนเคล็ดลับมันง่ายๆแค่นี้เองถ้าจิตมันชอบอารมณ์อันไหนมันอยู่กับอารมณ์อันนั้น มันก็ไม่วิ่งพลานไปที่อื่นที่จิตมันวิ่งพลานไปอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีเพราะมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์จริงหรอกมันวิ่งไปดูนึกว่ามีความสุขดูๆแวบๆก็เบื่อแล้วไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลยวิ่งไปฟังอุตส่าห์ไปซื้อซีดีมาฟังเพลงโน้นเพลงนี้ฟังๆไปเดี๋ยวก็เบื่อแล้วไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยนี่ใจมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอใจมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์ แต่ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งที่ใจไปอยู่ด้วยแล้วใจมีความสุขใจจะไม่อยากหนีไปที่อื่นยังตอนเด็กๆหลวงพ่อชอบหายใจความจริงก็หายใจมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่มาหายใจตอนมหัดภาวนาตั้งแต่เกิดมาเราก็หายใจทิ้งเปล่าๆทำอะไรไม่เป็นไม่รู้จักใช้ประโยชน์อายุเจ็ดขวบถึงจะรู้จักใช้ประโยชน์จากลมหายใจหายใจแล้วมันสบายหายใจแล้วมันมีความสุขเห็นไหมรู้ลมหายใจแล้วมีความสุข ใจก็ชอบรู้ลมหายใจใจไม่วอกแวกไปที่อื่นนี่เป็นหลักง่ายๆเลยถ้าอารมณ์ใดให้ความสุขจิตใจก็พอใจที่จะอยู่ในอารมณ์อันนั้นโดยไม่ต้องบังคับฉะนั้นอยู่ที่ว่ามันมีความสุขไหมถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดจิตใจก็ชอบเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันนั้นโดยไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องบังคับนี่คือหลักของสมาถะนั่นเองคนไหนชอบเจริญเมตตานะแผ่เมตตาแล้วจิตใจมีความสุขแผ่เมตตาไปเรื่อย ใจก็ไม่คิดร้ายกับใครใจก็สงบสุขนี่ยกตัวอย่างบางคนชอบดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะดูแล้วสบายใจมีนะดูเห็นกระดูกอุ้ยชอบสนุกดูกระดูกไปเรื่อยๆทีแรกมันก็กระดูกเหมือนคนธรรมดาอย่างนี้ดูไปดูไปกระดูกค่อยใสขึ้นใสขึ้นจนเป็นแก้วเป็นแสงสว่างขึ้นมาดูแล้วมีความสุขอันไหนที่ดูแล้วมีความสุขจิตก็จะไม่ทิ้งมันไป ทำนองเดียวกันกับทางโลกเหมือนกันอย่างเราอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมีความสุขเพลิดเพลินพอใจเราก็อ่านได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเสียท่าอ่านเพชรพระอุมาอ่านจนตาเหลือกตาลานหมดแรงหลับไปตื่นขึ้นมาคว้ามาอ่านต่อทำไมละ่ะอ่านแล้วมันชอบอ่านแล้วมีความสุขคนเขียนนี่เก่งจริงๆบางคนชอบเล่นไพ่นึกออกไหมให้ทางานโต้รุ่งทาไม่ได้แต่เล่นไพ่โตรุ่งทาได้เห็นไหม ใจมันเค้าเคลียอยู่ในอารมณ์อย่างนี้บางคนก็ชอบดูบอลถึงฤดูเข้าเตะบอลโลกบอลยุโรปอะไรอย่างนี้ดูได้ทั้งคืนเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขอารมณ์ใดมีความสุขจิตก็ชอบนี่หลักง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกเอาถ้าเราต้องการทําความสงบจิตเราก็ไปดูว่าถ้าจิตเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์อันนั้นแต่ก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งคืออย่าไปเอาอารมณ์อกุศลบางคนตกปลาแล้วมีความสุข อย่างนี้ไม่ดีบาปกรรมจะนําความทุกข์มาให้ทีหลังหูหนวกตาบอดก็มองไม่รู้หรอกว่ามันมีผลของกรรมอย่างไรถ้ามองเป็นรู้เป็นนะมันก็จะรู้เลยกรรมเล็กกรรมน้อยมีผลทั้งสิ้นอย่างเราไปทําสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตายเวลาเราภาวนามันกวนนะอย่างไปบี้มดเวลานั่งภาวนาบางทีคันยิบยิบไปทั้งตัวเลยกรรมมันให้ผลสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังทั้งหมดกรรมเล็กกรรมน้อยมันจะรบกวนการทําสมาธิของเรา ทีนี้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็รู้รู้ไปมันก็ชดใช้หายไปค่อยฝึกของเราทุกวันน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์ที่เพลิดเพลินที่สบายมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นอยู่กับพุทธโธคิดถึงพระพุทธเจ้ามีกุศลคิดถึงพระธรรมมีกุศลคิดถึงครูบาอาจารย์มีกุศลคือเวลากรรมมันจะให้ผลกระทั่งกรรมดีจะให้ผลฟังวิทยุอยู่สถานีหนึ่งนะ มันเปลี่ยนไปฟังหลวงพ่อเทศได้ด้วยยังไม่แปลกมากนะบางคนฟังฟังไปปิดวิทยุแล้วยังเทศต่ออีกอันนี้ก็น่ากลัวหน่อยฉะนั้นเราค่อยๆฝึกกรรมชั่วเล็กน้อยอะไรนี่อย่าไปทามันกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสทำก็ทำไปค่อยๆฝึกของเราไปถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขอารมณ์ที่เป็นกุศลคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ใจก็สงบสุขคิดถึงทานที่เราได้ทาแล้วด้วยดี คิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีอะไรอย่างนี้จิตใจก็สงบสุขคิดถึงร่างกายแค่ร่างกายตัวเองนะถ้าไปคิดถึงร่างกายคนอื่นแล้วกิเลสเกิดให้คิดถึงร่างกายของเราเองดูลงไปเรื่อยๆแทนที่จะให้ใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็รู้อยู่ที่ร่างกายขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคอยให้จิตวนเวียนอยู่ในร่างกายจิตก็มีความสุขมีความสงบเป็นคนๆไปบางคนดูร่างกายแล้วกลัว อย่างนี้จิตไม่สงบบางคนดูแล้วสบายจิตก็สงบหรือเจริญเมตตาไปเรื่อยๆจิตก็สงบแต่ละคนไม่เหมือนกันมีให้เลือกเยอะแยะบางคนคิดถึงความตายคิดถึงทุกวันทุกวันจิตมีความสุขมีท่านหนึ่งแต่งกรอนเอาไว้ว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันในสันดานทาให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจปิดเครื่องหมายคาพูด ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้คล้ายๆนะคิดถึงความตายคิดทุกวันโอ้สบายใจนี่อะไรก็ได้หรืออนาปานาสติคิดถึงลมหายใจคอยรู้ลมหายใจไปเรื่อยมีสติรู้ลมหายใจไปจิตใจก็มีความสุขต้องเลือกเอาว่าอารมณ์อันใดจิตไปอยู่แล้วมีความสุขจิตก็สงบเมื่อจิตสงบดีแล้วต่อไปก็ถึงขั้นเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาทาได้สองช่วงช่วงหนึ่ง คือทําอยู่ในสมาธินั่นแหละเรียกว่าทําสมาธิกับปัญญาควบกันอีกช่วงหนึ่งทําตอนที่จิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วทําได้สองช่วงอันนี้สําหรับคนที่ทําสมาธิก่อนนะบางคนไม่ต้องทําสมาธิก่อนบางคนเจริญปัญญาไปเลยแล้วสมาธิเกิดที่หลังวันนี้เห็นมีพวกชอบสมาธิมาเลยเทศเรื่องสมาธิก่อนสําหรับวิธีพลิกจากสมาธิขึ้นไปสู่การเดินปัญญา เวลาที่จิตเราถอนออกจากสมาธิมาให้รู้สึกลงไปเลยรู้สึกลงในกายก็ได้รู้สึกลงในใจก็ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นต้องมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติรู้อารมณ์กุศลต่างๆนานาชนิดที่อยู่แล้วสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองฉะนั้นจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วจะเห็นเลยจิตเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบจิตเมื่อกี้สบายตอนนี้ชักจะไม่สบาย จิตเมื่อกี้นิ่งๆจิตตอนนี้สายไปสายมานี่มีส ต, ติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยหรือดูร่างกายก็ได้พอจิตถอนออกจากสมาธิลมหายใจค่อยๆหยาบขึ้นค่อยๆหยาบยาบที่แรกมันก็ค่อยเกิดความรู้สึกท้งร่างกายก่อนสมาธิลึกจริงๆนะไม่มีร่างกายร่างกายหายไปเหลือแต่สติเหลือแต่จิตมีแต่จิตตัวรู้ตัวเดียวถ้านั่งสมาธิแล้วงอกแงกงอแงกขาดสติลืมเนื้อลืมตัว อันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิห้ามทำทีนี้ถ้าทําสมาธิถูกต้องก็จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิบางอย่างลึกมากร่างกายจะหายไปโลกธาตุข้างนอกนี่หายไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวล้วนๆอยู่ข้างในพอจิตเริ่มถอนออกมามันจะเริ่มเกิดความคิดขึ้นมาก่อนพอมีความคิดขึ้นมาแล้วมันมีความรู้สึกกระทบเข้าที่ร่างกายร่างกายก็ปรากฏที่แรกมันกระทบทางใจใจก็ค่อยปรากฏขึ้นเด่นชัดขึ้นมาเริ่มทํางาน นี่ถ้ามีสติรู้ทันตรงนี้ก็จะเห็นมันเริ่มทำงานแล้วคนไหนชำนาญในสมาธิก็ทรงอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นจิตมันทำงานอยู่ข้างในอันนี้เป็นการเดินสมาธิควบกับการเจริญปัญญาถ้าตรงนี้ไม่ทันจิตมันก็ถอนออกมาอีกมาเห็นร่างกายรู้สึกถึงความมีกายรู้สึกเลยลมหายใจที่ไม่มีก็เริ่มมีลมหายใจขึ้นมาหยาบขึ้นหยาบขึ้นในที่สุดร่างกายที่ยังกระดุกกระดิกไม่ได้ ต่อมาร่างกายนี้ก็กระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวออกมาได้เริ่มสั่งร่างกายทำงานได้เราจะรู้สึกมาตลอดสายเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่งมันนั่งอยู่ตะกี้หรือว่ามันนอนอยู่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วพอจิตท้อนออกมาสู่ภพภายนอกเต็มที่แล้วถัดจากนั้นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนก็คอยมีสติตามรู้มันเรื่อยๆไป เห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนมีสติตามดูไปจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยก็รู้จิตใจมีความโลภก็รู้ว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเราจะเห็นความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาจิตมันหลงไปแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเราก็รู้ทันมันอีก นี่ตามรู้กายตามรู้จิตเรื่อยไปนี่เป็นการเจริญปัญญาพวกที่ฝึกสมาธิจะอาภัพอยู่เรื่องหนึ่งเหมือ น, อนกันแทบทั้งนั้นคือพอออกจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติเลยอันนี้โง่ที่สุดเลยทิ้งโอกาสที่แสนดีลงไปเพราะขณะที่ทําสมาธิเข้าไปในสมาธินั้นจิตไม่ปรุงแต่งมากพอจิตเคลื่อนออกมาสู่โลกภายนอกนี้ทั้งกายทั้งจิตมันจะปรุงแต่งห ย, ยาบๆให้ดูมันจะดูง่ายมันคล้ายๆเรามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่ง มีของเต็มโต๊ะเรากว่ดทิ้งหมดเลยเราเช็ดโต๊ะเสียสะอาดเอี่ยมนี่เหมือนนั่งสมาธิมาจิตสงบพอจิตทอนออกมาก็คล้ายๆว่าขี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆตกลงมาบนโตะนะชิ้นนิดเดียวเราก็มองเห็นแล้วเพราะโต๊ะนี้สะอาดจิตใจที่นั่งสมาธิมานะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดหนึ่งก็มองเห็นง่ายนี่ข้อดีของการทำสมาธิแต่บางคนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะมันมีวิธีปฏิบัติหลายแบบ ใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้สมาธิควบกับปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้มีตั้งหลายแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องกลุ้มใจว่าทำสมาธิไม่ได้ถ้าจิตท้อออกจากสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปเลยหลวงพ่อพุธ ท, ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพวกทำสมาธินะโง่ที่สุดเลยแต่ท่านผู้สุภาพกว่านี้ท่านบอกไม่ค่อยฉลาดหลวงพ่อมาแปลใหม่ว่าโง่โง่จริงๆนะ พอจิตถอนจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติไปเลยเสียโอกาสขี้ฝุ่นเล็กขี้ฝุ่นน้อยตกลงมากูเลิกดูแล้วเพราะหมดเวลาปฏิบัติแบ่งชีวิตเป็น2 ส, ส่วนชีวิตช่วงที่นั่งสมาธินี่เป็นชีวิตที่ปฏิบัติพอหมดเวลานั่งสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติชีวิตยังมี2 ส, ส่วนคนใดที่แบ่งชีวิตเป็น2 ส, ส่วนอย่างนี้อย่ามาพูดถึงมรรคผล น, นิพพานในชีวิตนี้เลยยังไม่มีโอกาสหรอกอินทรียังอ่อนเกินไปฉะนั้นเราไม่เลิกปฏิบัติเรามีสติไปเรื่อยเลย ส่วนมันจะเผลอสติจะขาดสติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราห้ามมันไม่ได้หรอกหรือเราต้องไปทำมาหากินไปทํางานต้องไปคิดไปนึกอะไรอย่างนี้เราไม่ว่าอะไรมันหรอกแต่ว่าพอกิเลสแทรกเข้ามาพอสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแทรกเข้ามาเราคอยมีสติรู้ทันเอานี่ค่อยฝึกอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆไม่แบ่งชีวิตเป็นชีวิตที่ปฏิบัติกับชีวิตที่ไม่ปฏิบัติชีวิตทั้งหมดนั่นแหละคือชีวิตเพื่อการปฏิบททัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือสาระแก่นสารของชีวิตการทำมาหากินการอยู่กับโลกการดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยอยู่กับโลกอยู่วันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปมีแต่ธรรมะที่จะอยู่กับเราตลอดกาลฉะนั้นเราต้องรู้ว่าภารกิจหลักเราคือการปฏิบัติธรรมมีสติไปเรื่อยทีนี้บางคนพอถอนออกมาจากสมาธิช่วงที่ถอนออกมาเป็นช่วงที่จะเห็นสภาวะได้ชัดเจนก็ทิ้งไปเลย น่าเสียดายฉะนั้นอย่าทิ้งนะพอใจถอยออกมาจากสมาธิให้มีสติตามดูแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้หมายถึงผู้ที่ทําสัมมาสมาธิพวกมิจฉาสมาธิไม่ได้กินหรอกพวกที่ทํามิจฉาสมาธินั่งไปแล้วก็เคลิมขาดสติจิตมีแต่โมหะจิตมืนมื ด, ม, ดมัวมัวรู้ตัวริปรีริป ร, บ ร, บรบีบางทีก็ขาดความรู้สึกตัวไปเลยพอจิตท้อออกจากสมาธิมันแถมโมหะออกมาด้วย มันมืนๆโม่ๆเซื่องซึมออกมาด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนนั่งสมาธิแล้วกลับมาสู่โลกภายนอกแล้วเซื่องเซื่องซึมซึมรู้เลยวันนั่นทำมิจชาสมาธิมาไม่ทําเสอย่างจะดีกว่าไปทําแล้วเพิ่มกิเลสไปทําหาสวรรค์วิมานอะไรมันจะหานรกนะสิหาอบายภูมิทําแล้วกิเลสเกิดฉะนั้นต้องระมัด ร, ระวังสมาธิที่พวกเราทั้งหลายชอบทํากันนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิทําแล้วโมหะเกิดทําแล้วโลภะมาก แล้วถอยออกมาอยู่กับโลกก็โทสะมากใครกระทบนิดๆหน่อ ย, อยๆก็มโมโหแล้วเพราะว่าติดใจในความสงบอยู่ภายในอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นสัมมาสมาธิต้องมีสติตลอดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสติคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงกายคิดถึงลมหายใจคิดถึงอะไรก็มีสติฝึกให้มีสติไปเรื่อยๆไม่ขาดสติเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ไม่ขาดสติ รู<ๆ>้สึกอยู่เรื่อยๆฝึกอย่างนี้จิตใจก็จะมีความรู้สึกตัวที่โดดเด่นพอออกมาสู่โลกภายนอกจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูฟังออกไหมหลวงพ่อพูดเรื่องว่าร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดู จิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยสติก็เป็นผู้รู้ผู้ดูมีตัวรู้ตัวดูอยู่ไม่เท่ากันนะเวทนาทางกายมีสุขมีทุกข์ทางใจมีอุเบกขาด้วยเฉยเฉยฉะนั้นจิตใจเป็นอกุศลหรือจิตใจเป็นกุศลสติก็ยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูคนที่ฝึกสมาธิมาแล้วมันจะมีตัวรู้เรียกว่ามีตัวผู้รู้อยู่แต่คนที่มีตัวผู้รู้นี่ห้ามบังคับ ห้ามรักษาตัวผู้รู้ถ้ารักษาตัวผู้รู้จะมีปัญหามากหลวงพ่อฝึกกรรมฐานมาหลวงพ่อฝึกมาแบบมีตัวรู้เราฝึกทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กหลวงปู่ดูลงเตือนครั้งสุดท้ายที่พบท่านท่านบอกให้ทำลายผู้รู้เสียนะพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้พวกเราบางคนชาตินี้ยังไม่เคยมีผู้รู้เลยไม่ต้องมาทำลายผู้รู้หรอกมันจะทำลายสติเคยมีพระองค์หนึ่งไปเรียนกับหลวงพ่อนะมาถึงอย่างนี้มาเลย ผมทำลายผู้รู้ไปหมดแล้วขย่าวท่านนะบอกหายใจเอาไว้หายใจเอาไว้หายใจแรงๆไว้ที่ทำลายนะ่ะทำลายสติไปหมดแล้วไม่ใช่ทำลายผู้รู้คนที่ฝึกสมาธิมาก่อนจนเกิดตัวรู้มีสัมมาสมาธิมันจะมีผู้รู้พอมีผู้รู้นี่มารู้กายเห็นกายจะชัดเลยเห็นอะไรๆชัดไปหมดจิตขยับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเห็นหมดเลยนี่เป็นข้อได้เปรียบของพวกที่มีตัวรู้คือพวกทำสมาธิมาก่อน ข้อเสียเปรียบคือต้องทำลายมันทีหลังคล้ายๆสร้างอาวุธร้ายแรงขึ้นมาแล้วต้องหาทางขาจัดอาวุธนี้อาวุธนิวเคลีย์อะไรพวกนั้นต้องขจัดกากนิวเคลีย์ทีหลังลำบากอีกวิธีหนึ่งไม่ได้เริ่มจากสมาธิหรอกมีสติรู้ทันจิตใจของเราเข้าไปเลยอันนี้สำหรับคนซึ่งไม่สามารถทำสมาธิได้ดูจิตดูใจเข้าไปซื่อๆดูจิตดูใจนี่ไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีอะไรให้ดู จะมีแต่ความนิ่งความว่างไม่มีไตรลักษณ์ฉะนั้นอย่าไปทำสมาธิก่อนถ้าจะดูจิตดูมันเข้าไปตรงๆเลยจนหมดแรงที่จะดูนั่นแหละถึงจะกลับไปทำสมาธิพักผ่อนทีนี้คนที่เคยจเจริญปัญญาจนคุ้นเคยเวลาทำสมาธิพักผ่อนมันจะรวมวูบเดียวไม่รวมนานรวมวูบเดียวก็จะถอนขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญาต่อมาดูจิตต่อแล้วแค่นั้นก็พอแล้วนี่สมาธิมันจะเกิดแต่ว่าเกิดสั้น ไม่นานเหมือนพวกเข้าอัปนาเข้าฌานเข้าสมาธิเต็มรูปแบบฉะนั้นเราดูจิตดูใจของเราไปบางทีใจก็รวมว่างๆไปเฉยๆบางทีดูไปดูไปไม่มีแรงพอจิตจะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปว่างๆอยู่ข้างหน้าที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานนะ่ะถ้าชํานาญพอเรามาอยู่กับว่างตัวนี้เป็นการพักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วกลับมาปล่อยให้จิตทํางานต่ออย่างนี้ก็ทําได้นะ เป็นวิธีทำสมาธิของผู้ชำนาญในการดูจิตดูใจเรียกว่าดูอารูปดูอารมณ์ที่เป็นอารูปประชา